70ปี80ปีร่างกายสังขารก็ล่วงไปล่วงไปดูได้ เ, ดเรา6นะแล้วเนี่เข้า67แล้วเนี่ยร่างกายมันก็เป็นไปตามเรื่องของร่างกายแต่ความต้องการของใจ มันไม่ได้ต้องการไปตามร่างกายมันอ ย, อยากให้ร่างกายเนี่ยนมสาวขาวผ่องกุชุมกุชวยมีเสน่ห์มี ส, νε, มสงา่าเพิ่มพูนกิเลสตัณหาโน่นมันชอบไปอย่างนั้นจิตใจความต้องการของใจ กับความเป็นไปของกายมันไม่สอดคล้องกันทําไมมันจึงไม่สอดคล้องกันทําไมมันจึงไม่ไปด้วยกันอ่าทำไมมันจึงไม่ไปด้วยกันเพราะใจมันเอาแต่ใจใจมันคิดแต่ตามใจของมันอ่ามันไม่เคยตามใจกายมันเคยแต่ตามใจของมัน ขอให้เป็นอย่างใจขอให้เป็นอย่างใจขอให้เป็นอย่างมันเท่านั้นมันก็ยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาได้หรือไม่ได้มันก็ไม่รู้มันโง่ขนาดนั้นน่ะใจยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาขอให้ถูกใจขอให้สมใจขออย่าให้ผิดใจผิดใจใครก็ช่างอย่าให้อย่าให้ผิดใจเรา ผิดใจใครก็ช่างอยา้ผิดใจฉันอยาให้ผิดใจครูอยา้ผิดใจเธออยา้ผิดผิดใจมึงนี่ภาษาสมมติทั้งนั้นแหละนี่คือความต้องการของใจมันจะเป็นไปตามใจหวังไหมไม่เป็นไปตามใจหวังสักอย่างดูเอาเถอะแต่ก็นึกก็คิดก็หวังอยู่อย่างนั้นแหละคิดอะไรก็ผิดหวังการนั้นคิดอะไรก็ผิดหวังกันนั้น หวัง e. อะไรก็ผิดหวังกับอนั้นหวังยินดีพอใจกับอะไรก็ผิดหวังกับอนั้นรักใครอะไรก็ผิดหวังกับอนั้นหวังความสุขกับอะไรก็ผิดหวังกับอนั้นหวังกับความสุขกายก็ผิดหวังกับความสุขกายกายมันเป็นไปตามภาวะของมันเลอะอะไรเลาะเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งมันเป็นไปตามภาวะของมัน ถึงแม้ว่าจะมีเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นไปตามภาวะของใจแต่ด้วยเหตุที่มันเป็นขนมาแล้วมันทิ้งอดีตไปแล้วอ่ามันทิ้งปัจจุบันไปแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วอแต่มันก็ยังหวังอยู่หวังหวังอยู่หวังอยู่หวั ง, ว ง, ว ง, วงอยู่อ อดีตหมายถึงอะไรก็หมายถึงกายมันเกิดขึ้นมาแล้วอดีตมันพาเกิดมาแล้วสิ่งที่เป็นเหตุให้พาเกิดในอดีตมันก็มีมาแล้วมันก็เป็นมาแล้วมันกลายเป็นผลไปแล้วแต่เราสามารถแก้ไขปัจจุบันได้ดูไปที่ใจนั่นแหละดูไปที่ใจเราจะรู้ ว่าใจมันยึดผิดว่าใจมันยึดถูกว่าใจมันเห็นผิดว่าใจมันเห็นถูกดูกไปที่ใจเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งก็มาจากใจอืมก็เพราะอะไรเพราะเพราะใจยังตามตันหาอยู่ใจยังเป็นตันหาอยู่ใจเป็นลูกน้องตันหาอยู่ มีตันหาแล้วก็มีอุ ป, ปาทานแล้วก็มีภแล้วก็มีชาติเนะเพราะได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันกลายเป็นอดีตเข้าไปแล้วมันเป็นอดีต ท, ที่เป็นโครงสร้างมาแล้วปักขึ้นมาในท้อ ง, องแม่เป็นอดีตไปแล้วต้องการจะตัดมันเลยมันก็ตัดไม่ได้เพราะมันกลายเป็นกายเราเสียแล้วเป็นกายของของเราเสียแล้ว เป็นลูกเราเป็นลูกของของเราเสียแล้วอยู่ในท้องนะตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ ต, ดไไดต้องเจริญต้องวัฒนาถาวรต้องออกมาให้เป็นไปตามภาวะเป็นไปตามภาวะการเกิดการอุบัติของมนุษย์เกิดตามภาวะการเกิดการอุบัติของสัตว์นี่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ประจาโลก แต่สิ่งที่เป็นแกนเป็นแกน่นเป็นแกนหมุนของโลกแท้จริงก็คือตัณหานเป็นตัวแกนหมุนตัวนี้แหละมันทับถมใจเราอยู่มันยึดครองใจเราอยู่มันสับมันเปลี่ยนมันหมุนไปเป็นพบนั้นพบนี้ชาตินั้นชาตินี้สูงบางบ้างตามบ้างได้ประสบผลสุขบ้างทุกบ้าง มันก็หมุนไปตามภาวะของมันนี่เราดูถึงความอยากตัณหาเป็นปัจจัยกดเกิดอุปาทานมันเกิดยังไงมันก็เกิดอย่างนี้แหละตัณหาดูไปที่ใจจะเห็นหัดดูไปที่ใจเราจะเห็นตัณหาดูไปที่ใจจะเห็นตัณหาถ้าไม่หาไม่พยายามหัดดูใจจะไม่เห็นตัณหาว่ามันคืออะไรว่ามันเป็นอะไร มันคอยหลอกเราอยู่ข้างหลังนั่นแหละตัวนี้ตัวสำคัญตัวรายกาศเป็นพลังอันหนึ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนดอกมันเป็นพลังที่โง่ของใจของเราเองไม่ใช่พลังที่เกิดขึ้นจากอะไรเลยไม่มีใครเสกสรรปั้นแต่งให้แต่มันหากเป็นพลังธรรมชาติที่เป็นฝ่ายต่ำมันกดมันทับมันทับถมมัน่วงกดทวงกดอะไรอยู่ในนั้นแหละ ให้เป็นไปตามอํานาจของมันให้เป็นไปตามใจหวังของมันในเมื่อร่างกายในส่วนที่เป็นเหตุปัจจัยแป๊บเกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นส่วนอดีตอดีตส่วนนี้ก็ส่งผลมาเรื่อยๆส่งผลมาเรื่อยๆเห็นไหมร่างกายมันจะเจริญวัฒนาท้าวรมามีกรรมเหล่าเลี้ยงขึ้นมาโดยลําดับหลังเจริญในท้องแม่เจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อย กรรมมันหล่อเลี้ยงกรรมมันเลี้ยงดูกรรมมันอุ้มชูให้เป็นไปตามอำนาจของกรรมพัฒนาเทวาวอมาเรื่อยๆ 7, 8, 9, 9, เจ็ดแปดเดือน9้าเดือนก็ออกมามันก็พัฒนาไปแบบไม่หยุดยั้ยงพราะมันกลายเป็นก้อนสังขารเข้าไปเกาะกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกันแล้วกันแล้วสังขารเหล่านั้นจะอยู่คงที่ไม่ได้จะต้องถูกผลักดันตัวเองเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อย ความผลักลดันเหล่านั้นเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ในภาวะเดิมท่านว่าทุกความทุกบีค้ามอยู่อย่างนั้นไม่มีหยุดไม่มีหย่อนบีไปเรื่อยขยับไปเรื่อยบีไปเรื่อยขยับไปเรื่อยอยู่คงที่ไม่ได้ดูไปที่แทงจิจิงอยู่คงที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคงที่ไม่ได้นั่นแหละทันว่าทุกขังเป็นทุกต้องเปลี่ยนไปทันว่านิจังนั่นคือภาวะของมาันแหละใจ เป็นผู้เป็นผลิตผลของมันแต่แท้มันไปดัดแปลงได้ไหยก็ดัดแปลงไม่ได้อดัดแปลงไม่ได้เพียงแต่ถ้าเผื่อพิจารณาเห็นความชอบธรรมเห็นความถูกต้องเพียงแต่พิจารณาให้รู้ให้เห็นแล้วก็ยอมรับท่านเองอ๋อนี่เป็นกายประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีภาวะเกาะกลุ่มกัน เป็นกองสังขาร เ, เป็นก้อนสังขารเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เกกลุ่มกันได้ด้วยอำนาจของกรรมสังขารนี้เกาะกลุ่มกันได้ด้วยอำนาจของกรรมขยับตัวเองไปเรื่อยขยับตัวเองไปเรื่อยขยับตัวเองไปเรื่อยไม่มีอะไรยับยั้งขยับไปอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของทุกขังขยับไปอีอย่างหนึ่งก็เป็นลักษณะของอนิจจังแท้จริงทุกขังก็คืออนิจจังอนิจจังก็คือทุกขขังนั่นเอง นี่แหละคือภาวะที่ไม่มีใครสามารถบังคับได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาเราดูไปให้เห็นตรงนี้แล้วเราจะเห็นความโง่ของเราว่าเราไปยึดว่าเราคําว่าเราในที่หมายถึงอัตตามันเกิดขึ้นภายในใจอเห็นกายนี่เป็นก้อนเป็นแท่งว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเราดูแล้วเราก็เย้ยมันเราก็ท้าทายมันในระหว่างที่มันบอกว่าเราว่าของของเรา เราใช้สติดูเราเาใช้สัมผัชัญญะดูยามดูกำหนดจดจอโอ้กายนึกกายนี้หรือเป็นเราดูให้เห็นให้เลยกายนี้ไปอีกว่ากายนี้สักทวะกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสมมุติก็สักถวะสมมุติเป็นผมไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นขนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา เปลี sera, no me me no teacher, no ่ยนไปเป็นอนิจจ no. ังก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นไปตามภาวะของมันเปลี่ยนไปเป็นทุกขังก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราพิจารณาเห็นอย่างนี้พิจารณาให้เห็นในขณะปัจจุบันทันด่วนในหัวใจของเรานีถ้าเราไม่ทันมันกิเลสมันมาทํางานแทนมันว่าเราเราเราเราเราแล้วก็ของของเราของของเราต้องเป็นไปตามใจหวังของเรา คิดทีไรเมื่อไหร่ก็คือเข็มแหลมๆน่ะแทงทิ่มแทงหัวใจของตัวเองจึ๊กเข้าไปคิดที่ไรเมื่อไรก็ แ, นะแทงทมมจงึงจ๊กเข้าไปคิดที่ไรเมื่อไรก็แทงจึ๊กเข้าไ ป, ไไาไปนี่แหละมันละเอียดหรือไม่ละเอียดแล้วดู ด, ดิธรรมะของพระเจ้าทศให้เราพิจารณาทำลายความหลงตัวเองที่ขนาดนี้ถ้าไม่ดูให้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เราก็แบกกองทุกอยู่อย่างนั้นแหละ พอที่จะผ่อนจะคลายอะไรอยู่บ้างมันก็ผ่อนไม่ได้คลายไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจตามมันไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าใจตามมันไม่ได้แบกทุกอยู่ร่ําไปพบชาติวัตตะสงสารยืดยาวไปแบบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบอืมตันหาก็เสริมมันอยู่ทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีเสริมไปยังไงอุปาทานก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นมา พบชาติก็เพิ่มข้ามาพเพิ่มข้ามาพเพิ่มข้ามามีพบที่ไหนก็มีชาติที่นั่นมีพบที่ไหนก็มีชาติที่นั่นคือมีที่เกิดมันจะต้องไปเกิดในที่ที่มันมีให้มีให้เกิดเกิดคือกองทุกเกิดก้อนทุกเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นแก่เป็นเจ็บแล้วก็เป็นตายก็หมดไปอันตภาพหนึ่งเกิดอีก แก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายก็เปลี่ยนไปอัตภาพหนึ่งเกิดอีกแก่ก็เจ็บก็ตายก็เปลี่ยนไปอีกอัตภาพอัตภาพหนึ่งเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นท่านจึงว่าวัฏฏสงสารของผู้ไม่รู้ธรรมยืดยาวไปแบบไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่มีกําหนดขุดเกณฑ์ว่าจะจบตรงไหนเมื่อไหร่จบไม่ได้หยุดไม่ได้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ท่านให้ดูให้เห็นให้ยอมรับ ในเมื่อยอมรับในเมื่อเราอยอมรับเจ้าตัวความอยากที่เป็นปัญหานี่มันก็จะค่อยๆเบาไปปัญญาก็จะค่อยๆเริ่มรู้เท่ารู้ทันปัญญาก็จะค่อยๆเริ่มรู้เท่ารู้ทันนี่ภาวะในภายในเราจะต้องมาต่อก่อนเราจะต้องมาต่อสู้กันอยู่อย่างนี้มาซักมาฟอกมาฝึกมาซ้อมมาขัดมากล่าวมาหัด พิจารณาอันนี้เป็นธรรมะในภายในเพื่อให้รู้เท่าให้รู้ทันรู้เท่าก็คือเท่าที่มันมีมันเป็นของมันนั่นแหละรู้ทันก็คือรู้ทันกิเลสที่มันคอยแทรกมาที่มันคอยแทรกเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้เรายอมรับตามภาวะที่มันมีมันเป็นมันจะดึงไปตามอเกตอําเภอใจตามความอยากของมันทั้งหมดทําให้เราไม่รู้เท่า ขาดสติขาดสัมผัสัญญะขาดปัญญารู้ทันไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกฝนอบรมให้จิตได้รับความสงบเพิ่มพูนสมาธิให้กับจิตของตัวเองเพิ่มพูนสติให้กับจิตของตัวตัวเองเพิ่มพูนปัญญาให้กับจิตของเราเองอเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติของเราจึงจำเป็นที่สุดเราจะต้องมีศีลมีสมาธิและก็มีปัญญา เป็นข้อปฏิบัติฝึกซ้อมมาตรงนี้เพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจพร้อมที่จะรู้เท่ารู้ทันนะเมื่อเท่าเราก็กันเมื่อรู้เท่าเราก็กันเมื่อรู้ทันก็เท่าเขาว่าเราก็กันรู้เท่าก็กันรู้ทันก็แก้รู้เท่าก็เท่ากับแก้รู้ทันก็เท่ากับแก้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้แก่อะไรแก้ตัญหา ปัญหาที่มันคอยแสดงอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมาให้มันเพิ่มพูนพลังสติปัญญาอ่าเอาไปเสริมมันเอามาเสริมธรรมะให้เกิดความรู้เท่าให้เกิดความรู้ทันจิตใจของเราก็จะปลอยเบาโปรงสบายยิ่ ง, ย, งยิ่งรู้ยิงรู้ไม่ทันมันเท่าไหร่มันก็พายยึดพาเกาะพาถืออยู่นั้นแหละก็ดูแต่คนทําให้ถูกใจดูใจมันอยู่นิ่งไหมมันเฉยไหมหมุนเตี้ยอยู่นั้นแหะ อะไรหมุนไม่รู้เรื่องไม่ได้ย้อนมาดูไม่รู้เรื่องไม่ได้ย้อนมาดูนั่นแหละมันเอาใจใจมันเป็นอย่างงั้นแหละสักหนึ่งหมุนไปสักหนึ่งหมดแรงก็อ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปแต่มันตกกลายเป็นวิบากแล้วอมันกลายเป็นวิบากแล้วสะสมเป็นกรรมในภายในแล้วนาป๊บขึ้นรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อย กว่าจะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวกว่าจะพิจารณาได้กว่าจะแก้ไขได้เราต้องอยู่ในท่าทีที่เราจะต้องฝึกจะต้องหัดจะต้องดัดแปลงกพจะให้เกิดความรู้เท่าเกิดความรู้ทัน อ, อกตั้งใจนี่ก็ได้เดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเข้านสามาเนี่ยเหลืออีกไม่ถึงสองเดือนเต็ม บินก็ไปเรื่อยบินก็ไปเรื่อยบินก็ไปเรื่อยนะเราดูตันหาเราบินไปบ้างไหมรู้ทันมันบ้างไหมมันพอจะบินไปบ้างไหมสติของเราเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไหมสมรชัญญะวิรยิยะอุสาหะความภากความเพียรเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นบ้างไหมวันนี้ก็เท่าเดิมพรุ่งนี้ก็เท่าเดิมวันนี้ก็ขี้เกียจเท่าเดิมเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็ขีเ้เกียจเท่าเดิมเหมือนเดิมไม่เคยขึ้น คิดนึกที่จะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นให้เกิดความกระตือรือร้อนในหัวใจมันก็เท่าเดิมไม่มีอะไรเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นแต่ตั้งอกตั้งใจมากน้อยเท่าไร่มันกลายเป็นวิบากตั้งใจมากก็กลายเป็นวิบากเป็นผลเพิ่มตั้งใจน้อยก็กลายเป็นวิบากคือเป็นผลเพิ่มมีผลเพิ่มแต่ผลเพิ่มของธรรมมีน้อยผลเพิ่มของกิเลสมีมาก มันก็ยังแพ้มันอยู่วันยังค่ำนั่นแหละทําไงเราจะให้ผลเพิ่มของกิเลสมีน้อยท่านคิดให้เจริญทำปฏิบัติทำทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนได้หรือไม่ได้ก็ลองฝึกดูลองหัดดูลองทําดูเผลอก็ดึงเข้ามาเผลอก็ดึงเข้ามาเผลอหลุดออกไป ก, ดาา ก, ก, ก็ดึงเข้ามาโอ้เผลอขี้เกียจข้นรู้ทันดึงเข้ามา ดึงมาสร้างความขยันให้ก <our> ับจิตของเราความเพียรที่จิตของเราอุตสาหพยายามที่จิตของเราสร้างสติให้กับจิตของเราสร้างสัมปชัญญะให้กับจิตของเราสร้างปัญญาให้กับจิตของเรานึกโน้นก็งงนึกนี้ก็ยากนึกโน้นก็ลําบากรู้สึกว่าอะไรมากมายเหลือเกินยึบเข้ามาอยู่ที่เดียวให้มันสงบมันนิ่งอยู่นั่นแหละนั่นรวมขุมพลังเข้ามาไม่ให้มันสับสน ไม่ต้องไปนึกไปคิดไปเยะไปเยะไปอะไรต่อะไรมันสับสนสงบเข้ามานึกเข้ามามันกระเทือนตรงไหนจับเอาตรงนั้นกระเทือนตรงไหนจับตรงนั้นกระเทือนตรงไหนจับตรงนั้นพุทธโทพุทธโทกระเทือนที่ไหนกระเทือนที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทธโทลมหายใจก็ค่อยเด่นชัดเข้าเด่นชัดเข้าเด่นชัดเข้าเด่นชัดเข้าเริ่มเย็นเข้าเย็นเข้าเย็นเข้าสงบเข้าสงบเข้าสงบเข้านี่ ใช้ความภาคความเพียรพระครพปะครองอยู่อย่างนี้ไม่มีใครได้ล่างมือเปิดดอกมันไม่มีเป็นของ ก, กล้วยๆสำหรับใครายดอกทำไม่ได้เพราะไม่ทำถ้าทำก็ต้องได้ได้มากได้น้อยก็ต้องทำทำได้ยากก็เพราะไม่ไม่อยากทำทำทีไรก็ดื้อดึงไม่ค่อยไม่ค่อยอยากฝ่าฝืน อยากนั่งล่องรอยปล่อยจิตปล่อยใจไปตามสบายตามอําเภอใจเวลาล่วงไปก็พอนั่งสรุปเอ้ยไม่ได้อะไรเลย แ, ลแต่ความฟุง้งก็เพราะไม่เคยตามดูจิตของตัวเองจิตมันฟุง้งไม่รู้มันว่ามันฟุง้งลองตามดูจิตของตัวเองจิตฟุง้งเราก็ต้องรู้ว่าฟุง้งจิตปรุงจิตนึกจิตคิดก็ต้องรู้ว่าปรุงวันนึกว่าคิดปรุงยับถ้าเพื่อเราทันมันกลายเป็นธรรมขึ้นมาปรุงยับ เราทันมันก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาปรุงยับเราทันกลายเป็นธรรมขึ้นมาปรุงยับไม่ทันจุ๊บจุ๊จุ๊บไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้กิเลสตัณหาดึงไปแล้วกีดทวีบแล้วก็ไม่รู้มารู้ทันกนั้นก็ตามโอ้ยอมแพ้มึงเลยเ ว, ว้ยดึงเข้ามาอ่ากูจะระวังอีกไม่ให้มึงไปปึ๊บลืมไปแล้ว อรู้ทันดึงเข้ามาอ้าวดื้อแล้วเกินนาะสหายแล้วแต่จะกล่อมมันนี่ยเทนี้ดื้อแล้วเกินเนาะสหายดา่าโคตรดา่าแซมันเลยดื้อแล้วเกินเอาไม่อยู่ยจุกจะนั่งไมย่ยอมกินข้าวทั้งวันทั้งคืนลองมาดูมันเก่งขนาดไหนลองมาดูสิอลองลองหัดลองหัดด่าข้างในให้มันเนี่ยด่าให้ถูกกิเลสนะอ่า อย่าไปนั่งด่าให้ใครได้ยินนะเดี๋ยวเขาจะว่าบ้าต้องไปจิตเวชอีกนะยุงนะด่ากล้องโลกกระทา น, นนั่ยนะด่าโคตรด่าแทบเลยแต่อย่าไปออกเสียงเดี๋ยวจะจับไปจิตเวชนะอ้าวแค่นี้แหละ